บัดนี้อยากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อไปการศึกษาการปฏิบัติธรรมมุ่งผลคือความสงบความสุขที่จะได้จากการละเว้นในสิ่งที่ควรเวน้นการประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติแต่ว่าผลที่บุคคลจะสัมผัส จากการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นส่วนมากแล้วเป็นผลที่ประจักษ์แก่ใจของบุคคลผู้ปฏิบัตินั่นเองทำนองเดียวกับการรับประทานอาหารบุคคลจะรู้เปรีย้ยวหวานมันขม ม, นมันเค็มด้วยเลียนของตนเองฉะนั้นพระธรรมกุลบดว่าปัจตางเวดิตโบวินโยชิคือข้อที่วินโยชนจะพึงรู้เฉพาะตนนั้น เมื่อกล่าวโดยสรุปในหลักของพระสัทธรรมแล้วท่านก็แบ่งพระสัทธรรมออกเป็นสามชั้นด้วยกันคือชั้นปริยัติสัทธรรมได้แก่ข้อที่จะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจปฏิบัติสัทธรรมคือข้อที่จะนำเอาความรู้อันถูกต้องนั้นมาประพฤติปฏิบัติและจะสัมผัสผลระดับปฏิเวทสัธรรม ซึ่งผลนั้นเป็นผลปรากฏแก่ใจของบุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนิย่าแห่งพระพุทธธรรมรัสที่สัตว์ไว้ว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งจะทำคนอื่นจะทำบุคคลอื่นให้บริสุทธิ์หาได้ไม่ดังนั้นในระดับของสัตธรรมทั้งสามประการนี้ในชั้นของปริยัต บุคคลสามารถเทนแจ้งด้วยปัญญาได้แม้จากการกล่าวการชี้แจงการอธิบายของบุคคลอื่นแต่มีส่วนที่เกี่ยวข้องผูกพันอยู่กับการเพ่งพินิษพิจารณาของบุคคลผู้นั้นถ้าหากก็ฟังไปแล้วศึกษาไปแล้วขาดการน้อมนำมาพินิษพิจารณาความรู้ความเข้าใจอันเป็นผลพึงประสงค์ในระดับนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ดังนั้นพระผู้มีรพระภาคเจ้าจึงทรงจำแนกผลจากการศึกษาพระปริยัติเอาไว้ของบุคคลทั้งหลายเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือมีการศึกษาสดับสับฟังน้อยทั้งไม่เข้าใจในเรื่องที่ได้ศึกษามากลุ่มที่สองมีการศึกษาสดับสับฟังน้อยแต่เข้าใจในเรื่องที่ได้ศึกษามา กลุ่มที่สามนั้นมีการศึกษาสดับสับฟัางมากแต่ไม่เข้าใจเรื่องที่ได้ศึกษามาและกลุ่มที่สี่มีการศึกษาสดับสับฟัางมากด้วยเข้าใจเนื้อหาสาระของเรื่องเหล่านั้นด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่าในชั้นของการประพฤติปฏิบัติแล้วคนที่จะได้รับผลจริงๆก็คือคนประเภทที่หนึ่งกับคนประเภทที่4เท่านั้น ส่วนคนประเภทที่สองคือคนประเภทที่สองและประเภทที่สี่เท่านั้นคนประเภทที่หนึ่งกับประเภทที่สามเป็นการเรียนรู้เอาเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากเรื่องเหล่านั้นซึ่งในทางศาสนาอุปมาเหมือนคนเลี้ยงโคเป็นการเลี้ยงเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นแต่ว่าตนเองก็รับได้เฉพาะเพียงค่าจ้างเท่านั้น การดื่มโครตเป็นเรื่องของเจ้าของโคที่จะได้ดื่มเพียงผู้เดียวดังนั้นในชั้นของปริยัติจึงจำเป็นจะต้องอาศัยการพินิษพิจนาที่ท่านใช้คำมาลีว่ามณสาโนเป ก, กิตาคือเพ่งพินิษพวิจนาด้วยใจแล้วก็จะประจักษ์ด้วยใจของตนเองว่าธรรมะที่ทรงแสดงไว้ในฐานะนั้นๆเพื่อผลอย่างนั้นอย่างนั้น เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปแล้วจะได้รับผลตามที่ทรงแสดงไว้จริงหรือไม่ข้อ น, นี้พึงดูตัวอย่างธรรมะพื้นพื้นทั่วไปที่ทราบกันแพร่หลายเช่นทรงแสดงว่าฮิริโอตปะเป็นโล ก, กปาลธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองโลกให้อยู่ได้ถ้าหากว่าโลกเราขาดพื้นฐานธรรมะฮิริโอตปะแล้วการอยู่ร่วมกันก็จะไม่มีปกติสุข คนจะมองกันในลักษณะที่เรียกว่ามิจฉสันใีคือมองกันแบบเป็นเนื้อเป็นสัตว์ไปพร้อมที่จะล่าพร้อมที่จะทำลายล้างบุคคลเหล่านั้นให้พินาศไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองหรือเพื่อความอยู่รอดของตัวเองหรือว่าข้อที่ทรงสแสดงว่าธรรมะคืออิทธิบาททั้งสี่ประการเป็นคุณธรรมที่จะนาบุคคลให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยืหอหมายความว่า สัมพันธ์อยู่กับเหตุที่บุคคลประกอบถ้าบุคคลประกอบเหตุสมบูรณ์ผลก็จะเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์แต่ถ้าเหตุลดหลั่นลงมาผลก็ต้องลดหลั่นลงมาด้วยนั่นก็คือองค์ธรรมได้แก่ฉันทะความพอใจในสิ่งนั้นนันวิริยะความเพียรหมั่นประกอบสิ่งนั้นจิตตะเอาใจใสเอาใจความฝสนใจในสิ่งเหล่านั้นและในขณะเดียวกันจะต้องใช้ปัญญาเพ่งพินิจพิจารณา ทั้งในชั้นของการศึกษาทั้งในชั้นของการลงมือประพฤติปฏิบัติและในขณะที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ก็จะต้องมีการตรวจสอบมีการวิเคราะห์อยู่ด้วยไปเมื่อบุคคลนามาพินิพิจารณาแล้วก็จะเห็นได้ว่าชื่อของธรรมะเป็นชื่อที่ได้บัญญัติกันขึ้นแต่ลักษณะของธรรมะนั้นไม่ว่าคนจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตาม จะต้องอิงอาศัยหลักธรรมที่นั่นเรียกว่าอิทธิบาททั้งนั้นจึงประสบความสาเร็จได้ในชั้นที่เป็นผลคืออานิสงส์ต่างๆที่ทางพระพุทธศาสนาแสดงไว้โดยอเนกปริยายส่วนมากแล้วจะต้องอิงอาศัยการพินิจพิจารณาและการดึงผลโยงย้อนกลับไปหาเหตุหรือการดึงเหตุย้อนกลับมาหาผลของบุคคลเหล่านั้น ซึ่งก็หมายความว่าในชั้นนี้จำเป็นจะต้องใช้ปัญญาสวจสอบพินิจพิจารณาถึงผลต่างๆที่บางเกิดขึ้นในชั้นของการปฏิบัติและในชั้นของผลที่เกิดขึ้นหลังจากการปฏิบัติแล้วเช่นว่าทรงแสดงอนิสง์ของทานที่บุคคลให้ดีแล้วซึ่งหมายความว่าเป็นการให้ด้วยกุศลเจตนา พิจารณาเห็นความดีความงามอันจะพึงเกิดขึ้นจากการให้ทานทรงแสดงอา น, นิสงส์เอาไว้หลายประการเช่นว่าเป็นที่รักของคนทั้งหลายเกียรติคุณนันดีงามย่อมฟุ้งกระจายไ ป, ไปมีคนเป็นนั้นมากค้นหาสมาคมกบุคคลเหล่านั้นบุคคลผู้ให้ทานเข้าไปในสมาคมใดย่อมองอาจกล้าหารไม่ขั้นคร้ามขำเพรงในสมาคมนั้น ไม่หลงทากาลกิยาหลังจากทากาลกิยาไปแล้วจะบังเกิดในสุคติข้อนี้จะเห็นได้ว่าอ น, นิสงส์สี่ประการนั้นถ้าหากว่าบุคคลเพ่งพินิษพิจารณาดูถึงผลคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ตนก่อนที่จะมีการให้ทานและหลังจากให้ทานก็จะพิจารณาโยงตัวเหตุคือกุศลเจตนาที่ให้ทานว่า เป็นเหตุให้เกิดผลเช่นมีคนเป็นอันมากรักใคร่นับถือมีความเชื่อมั่นในตนเองมีความกล้าหาญมีจิตใจมั่นคงประกุตขึ้นมีคนยกย่องชมเชยมากได้รับการสรรเสริญในที่ต่างๆเป็นตน้นแต่ว่าผลเหล่านี้ไม่ใช่ว่าพอให้ปุ๊บจะเกิดปรับบางอย่างจะต้องอาศัยการเวลาในแง่กฎของกรรมและในแง่ของธรรมชาติต่งๆ หรือว่าอานิสงส์ของศีลที่ทรงแสดงเอาไว้ว่าบุคคลผู้มีศีลเป็นทีิรักรักษาศีลบริสุทธิ์หมดจุดไม่ว่าในชั้นใดกระดาษจะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยภกกะระซย์เกียรติคุณนันดีงามของบุคคลผู้นั้นพุ้งกระจรไปเป็นผู้องอาจกล้าหาญในสมาคมต่างๆไม่หลงตายและตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติซึ่งจะเห็นว่าอานิสงส์ สามข้อข้าง้นก็เป็นอณิสงส์ที่พิจารณาได้เห็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือความสงบจากเวรภัยต่างๆความหวาดระแวงที่เคยมีความกลัวอันตรายต่างๆที่เคยมีก็บันทอเบาบางลงไปเพราะกฏทั้งหลายนั้นมันขึ้นมาจากเหตุเมื่อบุคคลไม่ประกอบเหตุแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวผลอะไรว่าจะเกิดขึ้นเหตุที่ ดีย่อมให้ผลที่ดีเหตุที่ไม่ดีย่อมให้ผลที่ไม่ดีนี้เป็นกฎเกณฑ์ตามธรรมชาติธรรมดาในที่ทั่วไปไม่ว่าในการ ใ, ใดๆก็ตามความรู้สึกปลอดโปร่งใจเบาใจจ่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลเป็นผลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ด้วยตนเองแต่ในขณะเดียวกันจะบอกกล่าวจะอธิบายลักษณะของความรู้สึกเหล่านั้นให้แก่คนซึ่งไม่เคยสัมผัสมาไม่ได้ ก็เหมือนกับอธิบายสีให้คนตาบอดฟังไม่ได้หรืออธิบายรสชาติอาหารให้บุคคลอื่นซึ่งยังไม่ได้ลงมือลิ้มด้วยตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกันเช่นั้นที่นี้ในชั้นของการละและการประพฤติปฏิบัติชั้นหนึ่งบุคคลก็ตรวจสอบพินิษพิจารณาได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นว่าระหว่างกิเลสกับธรรมที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลว่าอํานวยผลให้แตกต่าง ในชั้นนี้จำเป็นจะต้องอาศัยการสวจสอบการเพ่งพินิษพิจารณาที่ใจของตัวเองดูความเปลี่ยนแปลงที่ใจของตัวเช่นอะไรเช่นว่าความอาฆาตพยาบาทซึ่งเป็นนิวรธรรมประการเวลาเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วจะทำให้จิตใจร่าวร้อนกระสับกระส่ายมีลักษณะรุนแรงเกิดความเปลี่ยนแปลงแม้ในด้านร่างกายหัวใจจะเต้นแรงไปต้น ในขณะเดียวกันตัวธรรมะคือเมตตาธรรมที่บุคคลสร้างขึ้นแทนความพยาบาทคือเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับพยาบาทเวลาบางเกิดขึ้นแล้วแสดงออกมาที่จิตใจคือความรู้สึกเยือกเย็นความสงบไม่กระวนกระวายไปเช่นเดียวกับที่กระวนกระวายเพราะความพยาบาทสายตาที่มองไปทางทิศใดก็ตาม รู้สึกความเป็นมิตรสนิทสนมเกิดขึ้นในทิศนั้นไม่มีอะไรที่เรียกว่าขวางหูขวางตาซึ่งทำให้เกิดความไม่พอใจไม่สบายใจและแม้ธรรมะข้ออื่นก็สังเกตได้โดยนยิยเช่นเดียวกันและผลของเมตตานี้ถ้าบุคคลอบรมกระทาให้มากแล้วพ ร, ระพุาคเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ไว้เป็นอเนกกระรยยเป็นแดบ้างเป็นบอบ้างเช่นว่า หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายสามข้อนี้ถ้าจิตของบุคคลที่หลับด้วยเมตตาจิตไม่มีความคิดอาฆาตพยาบาทไม่พอใจบุคคลอื่นอยู่ภายในจิตก่อนที่จะหลับแล้วก็สามารถสัมผัสผลที่ทรงแสดงไว้สามประการนั้นได้อันนี้สงในช่วงต่อไปคือเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายเป็นที่รักของอนมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาย่อมรักษาการเป็นที่รักของมนุษย์นั้นเป็นปฏิกิริยาที่สังเกตได้ง่ายเพราะสามารถถ่ายทอดกันได้ทั้งทางกายและก็ทางวาจามเมตตาบังเกิดขึ้นภายในจิตจิตใจแล้วบุคคลแสดงออกมาทางกายทางวาจาที่ประกอบด้วยเมตตาและได้รับปฏิกิริยาในลักษณะเดียวกันได้ง่ายแต่การเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวด า, าย่อมคุ้มครองรักษานั้นเป็นผลที่ละเมิดละไม่ลงไปเนื่องจากท่านเหล่านั้นไม่ปรากฏแก่สายตาของเราเพราะเป็นพวกอธิษมานใกายแต่ถ้าหากว่าบุคคลลองสังเกต พ, พิจิรณาก็จะพบว่าปรากฏการพิเศษบางอย่างจนมีอันตรายบางเกิดขึ้นและรอดพ้นอันตรายไปบางครั้งบางคราวจะไปในที่ใดที่นหนึ่งซึ่งรู้ข่าวต่อมาว่า ยานภาณะขานั้นประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ ไ, มได้ไปเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งคิดมาเนี่ปรากฏการ์เหล่านี้มีอยู่ไม่น้อยที่เป็นผลอันเกิดขึ้นจากเมตตาธรรมที่มีอยู่ภายในจิตของบุคคลได้รับทําให้ได้รับการคุ้มครองอาราคขาจากเทพดาตั้งหลายอาวุธเครื่องประหารยาพิษไม่อาจที่จะทําอันตรายได้ข้อนี้ก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน จะต้องอาศัยการสังเกตพินิษพิจารณาที่ลึกซึ้งลงไปเพราะเป็นเรื่องที่ละเอียดบางครั้งบางคราวเราอาจจะมองเป็นเรื่องบังเอิญไปแต่ในแง่ของหลักศาสนานั้นธรรมทั้งหลายเกิดมาจากเหตุจะดับไปก็เพราะสิ้เนเหตุพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสแสดงธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นนี่คือหัวใจของศาสนาความบังเอิญในแง่ของพระพุทธศาสนาจริงไม่มี สิ่งที่บุคคลคิดว่าเป็นความบังเอิญ น, นั้นเป็นเพียงเราโยงเหตุไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อยงเหตุไม่ได้ก็โมเมลงไปว่าเป็นเรื่องบังเอิญเฉยแท้ที่จริงแล้วมีเหตุทั้งหมดปัญหาว่าเหตุนั้นอยู่ไกลมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเหตุในปัจจุบันถ้าไม่ยะถ้าไม่นานเกินไปเรานึกออกแต่ถ้านา น, กนเกินไปก็นึกไม่ได้แต่เหตุนั้นบางครั้งบางคราวเป็นเหตุที่ข้ามภพข้ามชาติ ซึ่งไม่มีใครสามารถรู้ได้ถ้าหากว่ายังไม่มียานบังเกิดขึ้นภายในใจิตใจและในที่สุดคนก็ปรงใจลงว่าเป็นเรื่องบังเอิญความบังเอิญนั้นมีไม่ได้ตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้และถ้าหากว่าเมตตาจิตที่บุคคลเจริญให้มากกระทาให้มากจนผ่านขั้นตอนของสมาธิไปเป็นอัปปนาสมาธิจนบรรลุานะทรงสแสดงว่า จะไม่หลงตายหลังจากตายไปแล้วจะบังเกิดในพรหมโลกหรือถ้าเมตตาธรรมดาก็บังเกิดในสุคติอานิสงส์ท้งหมดสองข้อหลังนั้นบุคคลไม่อาจจะพิจารณาได้เพราะยังไม่สัมผัสด้วยตนของตนเองแต่บัณฑิตผู้ฉลาดเมื่อพิจารณาแยกแยะแล้วก็หาข้อยุติได้อย่างที่ท่านสีหะเสนาบดีซึ่งเป็นอดีตสาวกของนิครนนุนาถบุ เราฟังอานิสงทานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อันยกขึ้นในตอนต้นนั้นท่านมาสรุปว่าสี่ข้อแรกคือการที่เป็นที่รักของคนทั้งหลายเกติคุณดีงามฟุ้งกะจรไปมีบริษัทบริวารมากเข้าไปในสมาคมใดไม่ขั้นข้ามคำเกรงนั้นท่านไม่จำเป็นจะต้องเชื่อพระพุทธเจ้าก็ได้เพราะท่านสัมผัสได้ด้วยตัวเอง แต่สองข้อหลังคือไม่หลงตายและตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกตินั้นท่านต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเพราะข้อ น, นี้เป็นข้อที่พระพุทธเจ้าทรงศัสรู้และทรงแ ส, สดงเอาไว้ท่านเองไม่ได้ศัสรูท่านก็ต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเอาไว้ทําให้จิตใจสงบไม่ว้าวุ่นไปด้วยอํานาจของวิจิกิจจาคือความลังเลสงสยัยเพราะเรื่องของความลังเลสงสัยนั้นไม่ใช่สามัญชนจะตัดขาดได้ แต่เป็นเรื่องของอริยมรรคคือโสดาปฏิมรรคเท่านั้นจะตัดโสดาจะตัดความลังเลสงสยัยด้วยความกังขาให้ออกไปจากจิตใจได้แต่ว่าผลในระดับที่เรียกว่าปฏิเวชนั้นเป็นผลที่ใครบอกให้ใครไม่ได้แล้วเป็นผลที่คนอื่นเข้าถึงไม่ได้นอกจากท่านที่มียานอย่างรู้เสมอกัน เช็นพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์พระสาวกว่าเป็นอริยบุคคลชั้นนันชนนี้เพราะพระบุมีพร ะ, ระพรภาคเจ้าทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาณผลในชนนี้จึงเป็นความเปลี่ยนแปลงทางจิตที่มีความสะอาดมีความสงบมีความประณีตขึ้นไปโดยลาดับจนเกิดญาณคือความรู้ผุดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเหล่านังข้อ น, น, นี้พึงดูตัวอย่าง พระสูตรตอนท้ายต่างๆที่แสดงความเปลี่ยนแปลงทางจิตใจของพระริยบุคคลทั้งหลายว่าเป็นผลที่ท่านประจักษ์แก่ใจเป็นปัจจตังเวดิตะโบเป็นโูหิเป็นข้อที่วินญูชนรู้ได้เฉพาะตนเท่านั้นคนอื่นจะรู้แทนท่านไม่ได้และไปตัดสินท่านไม่ได้แต่ว่าเมื่อท่านที่ประพฤติปฏิบัติไปก็จะสัมผัสผลเช่นเดียวกับการลดอาหารที่กล่าวในตอนต้น เปรียวหวานมันเค็มอย่างไรคนที่รับประทานเท่านั้นจะรู้ได้คนอื่นต้องการรู้ก็ต้องลงมือรับประทานอีกทีหนึ่งอย่างนี้ด้วยไปพึงดูตัวอย่างความเปลี่ยนแปลงที่ท่านแสดงไว้ในอนัตตลกักณ์สูตรซึ่งเป็นผลที่เกิดขึ้นแก่จิตใจของพระปัญจวคีเริ่มต้นมาจากการฟังประธรรมเทศนาที่ทรงแสดงถึงความเป็นอนัตตาแห่งขันทั้งห โดยที่ประเด็นความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมาตามลาดับจนถึงจุดหนึ่งได้สรุปว่าอริยสาวกทั้งหลายพิจารณาแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายทั้งในรูปย่อมเบื่อหน่ายทั้งในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายทั้งในสังขารย่อมเบื่อหน่ายทั้งในวิญญา ความเบื่อหน่ายที่เกิดขึ้นภายในขันธ์ทงห้าซึ่งเคยยึดถือว่าของเราด้วยอำนาจตาาัณหาเคยยึดถือว่าเป็นเราด้วยอำนาจของมานะเคยยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเราด้วยอำนาจของทิฏฐินั้นเมื่อจิตมันเกิดเบื่อหน่ายมาโดยลำดับแล้วก็จะคลายกำหนัตพอคลายกำหนัดไปโดยลำดับกิเลสเหล่นานั้นถูกขจัดออกไปจากจิตใจจิตก็หลุดพ้น ที่เรียกว่าเป็นบิมุติเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็เกิดยานผุดขึ้นภายในจิตของท่านดับนั้นว่าเราหลุดพ้นแล้วดังนี้ต่อแต่นั้นยานจะปรากฏสืบเนื่องกันไปว่าขีนาชาติชาติสิ้นแล้ววุสีตัง ร, รัตมิจริยังพรหมจัรย์ได้อยู่จบแล้วกะตังกรณียังกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วนาปรังอิทัตตายาติปะชานาจีติ กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีพระยาสาวกเวลาท่านบรรุท่านเกิดความรู้กุดขึ้นอย่างนี้ทั้งหมดเป็นความรู้ที่ประจักแก่ใจของท่านเป็นความรู้ระดับหยาดซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้ว่าท่านเองนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นปุตุชนหรือหรือเป็นพระโสดาบันในสมัยพุทธกาลมีสามเณรรูปหนึ่ง ได้เดินตามหลังพระหมหากัสสปะเทระไปแล้วก็เรียนถามพระเถระว่าแต่เท้ามีคนพูดว่าพระอรหันต์พระอรหันต์พระอรหรันต์นั้นเป็นอย่างไรยังไม่เคยเห็นพระเถระบอกให้ทราบว่ามันไม่แน่หรอกนิดบางทีคนเดินตามหลังพระอรหันต์อยู่แต่ยังไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นเป็นพระหันต์นี่เป็นการเชื่อเห็นถึง พระธรรมคุณบดว่าปัจจตังเวดิตะโปวินยูชีคือเป็นเรื่องของวินยูชนจะต้องรู้เฉพาะตนเท่านั้นไม่มีการพิสูจน์ทดสอบได้ด้วยกรรมวิธีอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะว่าอาการกายอาการวาจาของท่านนั้นก็เป็นเรื่องปกติธรรมดามีความเคลื่อนไหวแบบคนโทั่วไปเคลื่อนไหวที่ท่านแสดงโดยสำนวนอภิธรรมว่า ท่านเป็นโลกุตระจิตแต่ว่าใช้กามาวัจระจิตเวลาพูดจาปราศัยกันก็ใช้ภาษาธรรมดาธรรมดาที่ใช้กันที่พูดกันเพื่อเกิดความเข้าใจแต่ว่าภาษาที่เปล่งออกไปนั้นเป็นภาษาที่ให้คนอื่นเกิดความเข้าใจเท่านั้นจิตใจของท่านไม่ได้มีเจือปนไปด้วยอํานาจของกิเลสอย่างใดอย่างหนึง่ง แต่มีบางครั้งบางคราวอาศัยการสังเกตการพินิษพิจารณาความสงบเสงี่ยมเหล่านั้นได้เช่นว่าการแสดงออกมาทางกายทางวาจาของท่านเหล่านั้นอย่างที่นางสุภัสถาได้แสดงลักษณะของพระยาสาวกไว้ว่ามีกายสงบมีวาจาสงบมีอินทรีย์อันสำรวมแล้วไม่ขนองกายไม่ขนองวาจาเป็นต้น ตนี้เป็นมาตรฐานในการสังเกตบางครั้งคนที่มีลักษณะจริตที่เป็นพุท ธ, ธิจริตหรือเป็นพวกศรัทธาจริตจะมีความละเมยดละไมมีความอ่อนโยนตลอดถึงพวกปราฆจริตก็มีลักษณะทำนองนั้นแต่ถ้าหากว่าจะไปสังเกตกาหนดทิฏยาบทเพียงอย่างเดียวก็กาหนดไม่ได้เหมือนกันแต่ก็เป็นมาตรฐานที่ <c oughs> ให้พอ <c oughs> ให้พอรู้ได้ว่า ท่นผูนนี้มีความสงบในด้านจิตใจพอสมควร <c oughs> <c oughs> เพราะถ้าหากว่าจิตใจไม่ค่อยมีความสงบแล้วอาการทางกายทางวาจาก็จะสงบไม่ได้ประเด็นสําคัญในเรื่องนี้คือการแสดงทางกายก็ต้องเป็นไปในลักษณะที่เรียกว่าอนุปกาโตคือไม่ทํำลายล้างบุคคลอื่นในทางวาจาก็ต้องเป็นอนุปวาโดคือไม่กล่าวราย เพราะอะไรเพราะการทาลายเป็นมิจฉากมรมันตะคือการงานผิดผิดองค์อริยมรรคในด้านการกล่าว้ายเป็นมิจฉาวาจาคือเป็นวาจาที่ผิดองค์อริยมรรคในชั้นศีลยังไม่มีความสงบยังไม่มีความประนีตซึ่งเป็นการยันถึงจิตใจของบุคคลผู้นั้นว่าย่อมไม่มีความสงบแน่นอนลักธรรมคุณบทนี้ เป็นหลักที่สำคัญในการพินิจพิจารณาบางครั้งเป็นเรื่องยากแก่การตรวจสอบในการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้าปเัเสนทิโกศลถึงการวินิจฉัยตัดสินบุคคลว่าความมีศีลจะรู้ได้เพราะการอยู่ร่วมกันแต่ต้องอยู่ร่วมกันน้นๆความสะอาดจะรู้ได้ที่การงานแต่ต้องดูห ล, หลายงาน กำลังใจจะรู้ได้เมื่อยามที่มีเรื่องวิกฤตการณ์บางเกิดขึ้นซึ่งวิกฤตการณ์เหล่านั้นบางครั้งจะต้องมีความรุนแรงมากพอเนื่องจากอาการอดกั้นต่ออารมณ์ข้อต่อกิเลสนั้นบางครั้งเป็นการอดกั้นเพราะมานะก็ได้บางครั้งอดเพราะการต้องการจะแข่งดีก็ได้บางครั้งเป็นการอดกั้นเพื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ เช่นความสงบสงเงียมของนายพรานที่ต้องการจะล่าสัตว์ต้องการจะยิงสัตว์จะมีความสงบเสงเงียมเรียบร้อยไม่กระดุกกระดิกถ้าเรามองกันในจุดนั้นมันก็น่าเคารพนับถือแต่ว่าเจตจานงนั้นต้องการจะล่าสัตว์เท่านั้นเองเรื่องเหล่านี้ทางพระพุทธศาสนาจึงสอนการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาให้พยายามตรวจสอบในส่วนของตนเอง ทั้งในชั้นของการพินิษพิจารณาทั้งในชั้นของการโยงเหตุโยงผลและในทางทั้งในชั้นของการเพียรพยายามปฏิบัติให้สัมผัสผลด้วยใจในระดับของสมาธิในระดับของฌานและในระดับของปัญญาจนถึงญาณเป็นลำดับซึ่งผลเหล่านั้นจะยืนยันได้ด้วยตัวเองเสมอไปว่าธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้น เป็นเรื่องที่บินยูชนคือผู้รู้ดีผู้รู้แจ้งผู้รู้วิเศษเท่านั้นจะประกักแจ้งได้เฉพาะตนใครต้องการรู้ผลอย่างแท้จริงจะต้องดำเนินไปตามหลักที่ทรงแสดงเอาไว้ไม่ว่าในการ ใ, ใดๆก็ตามต่อแต่นี้ไปก็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป